จเจราญพท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันลังคารที่สิบเจ็ดธันวาคมพุทธศักราชสอพันห้าร้ยหาสิบเป็นวันพระวันธรรมสวัสวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนได้ตั้งใจมาวัน มาลา บ, บาปมาทําบุญมาชำระใจให้สะอาดบดยสุดเพราะมีศรัทธาความเชื่อในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและเชื่อในอคําสอนของพระอริยสงสาวงศทั้งหลายที่เป็นผู้ รู้จริงเห็นจริงรู้สิ่งที่เราไม่รู้กันพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้อะไรก็ทรงรู้บุญรู้บารู้ผลของบุญคือสวรรค์รู้ผลของบาปคือนรกรู้ว่าความอย่างนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์รู้ว่าความอย่างนี้ เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆปราศจากความโลภต่างๆถ้าปฏิบัติได้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ ตามกำลังของการปฏิบัติที่จะให้ผลต่างกันไปสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดการทำบุญก็คือเป็นการทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความเจริญการละบาปก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใจของเราตกต่ำ ไม่ให้ใจมีความทุกข์และการชำระใจให้สรระอาบริสุทธิ์ก็เพื่อที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องของของสัตว์โลกคือพวกเราว่ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆในภ พ, พที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี้ทรง รู้ว่ามีอยู่สามภพด้วยกันที่เราเรียกว่าตรายัยภพก็คือการมาพบรูปภพและอรูปภพการมาพบก็คือที่เกิดของสัตว์ที่ยังมีความอยากในกามอยู่ยังอยากในรูปเสียงกลิพพ่นรสปวดภพรูปภพคือภพของผู้ที่ได้รูปฌปาน และอรูปภพก็คือภพของผู้ที่ได้อารูปฌานแล้วก็ทรงเห็นอริยมรรคผลนิพพานที่เป็นที่ไปของผู้ที่มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรหลุดพ้นจากการที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิด ในรูปภพและอรูปภพถ้าเรายังกำจัดกามตันหาไม่ได้เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดในกามภพกามภพนี้ก็มีสองส่วนส่วนที่เป็นสุขและส่วนที่เป็นทุกข์ส่วนที่เป็นทุกข์เราเรียกว่าอบายเช่นเดระฉานเปรตอสุรกาย นรกอันนี้เป็นที่ไปของผู้ที่ทําบาปเสพการมด้วยการทําบาปเช่นอยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรก็ทําด้วยการฆ่าบ้างทําด้วยการลักทรัพย์บ้างทําด้วยการประพฤติผิดประมวณีบ้างทําด้วยการพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงบ้างทําด้วยการเสพสุรายามาบ้าง อันนี้จะทำให้เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปเกิดในอบายเป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำบาปทั้งหลายส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำบาปทำแต่บุญเวลาตายไปก็จะได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วผู้ที่ทำใจให้สงบได้รูปประชามก็จะไปเกิดเป็นรูปประพ์ ผู้ที่ได้อารูปฌานก็จะได้ไปเกิดเป็นอรูปรภพสำหรับผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะได้ไปเป็นพราะอาริยบุคคลขั้นต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นโสดาบันตามไปด้วยขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพาาาระอรหันต์พอถึงขั้นพาาาระอรหันต์ก็จะหลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรก็จะอยู่ที่พระนิพพานที่พระนิพพานก็คือที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตัดสรู้แล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นความจริงอันนี้ เราจึงต้องมีศรัท ธ, ธาความเชื่อในความรู้ของพระพุทธเจ้ามีความศรัท ธ, ธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีศรัท ธ, ธาความเชื่อในคาสอนของพระอาหารหันตาสาวกเพราะท่านเป็นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงได้รู้ได้เห็น ก่อนที่ท่านจะรู้จะเห็นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่ยังไม่รู้ไม่เห็นแต่ท่านมีศรัทธาความเชื่อในความรู้ของพระพุทธเจา้ามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ทรงสอนให้ทำบุญละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเชื่อแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติตาม พอปฏิบัติตามได้ก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากความอยากถ้าอยากจะหายทุกข์อยากจะหยุดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องละความอยากให้หมดไปด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนา คือทําใจให้สงบแล้วสอนใจให้เฉลายวไม่ให้หลงตามความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นเหมือนยาพิษไม่ใช่ขนมถ้าเราเห็นนะเห็นว่าเป็นยาพิษเราก็จะไม่อยากได้เป็นยาพิษเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไป เวลาได้มาก็ดี อ, อกดีใจเวลาเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจไม่มีอะไรที่เราได้มาแล้วจะไม่เสียไปไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเสียไปจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเวลาที่เสียเวลาที่จากกันนี้เป็นเวลาที่ทุกทรมานอย่างมากเรามักจะมองไม่เห็นส่วนนี้กัน เราจะเห็นแต่ส่วนที่สุดคือเวลาเราได้อะไรมาตามความอยากของเราเราก็มีความสุขใจแต่เราลืมไปว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมาในที่สุดเราก็ต้องเสียเขาไปแล้วเวลาที่เสียเขาไปก็จะเป็นเวลาที่มีความทุกข์มากถ้าเราเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ เราก็จะละความอยากต่างๆได้พอละความอยากต่างๆได้เราก็ละเราก็ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเราก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้เป็นสิ่งเป็นผลที่พวกเราจะได้รับจากการมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรายัางไปไม่ถึงขั้นพระนิพพานยังไม่ถึงขั้นพระอริยเจา้าเราก็จะไปขั้นเทวดาบ้างขั้นพรหมบ้างหรือไปขั้นของมนุษย์บ้างถ้าเราทาบุญละบาวชลระใจให้สะอาดไปเรื่อยเราจะได้รับผลอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ทาบุญไม่ละบาวไม่ชำระใจให้สะอาด เวลาเราตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นผีบ้างไปตกนรกบ้างเพราะนี่คือผลที่เกิดจากการไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ชำระใจให้สะอาดนั่นเองดังนั้นถ้าพวกเราไม่อยากที่จะไปเกิดในอบายอยากจะไป อยาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าหรือไปพระนิพพานเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อแล้วเราก็จะปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็จะได้รับผลตามมาอย่างแน่นอน พ็มีผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเป็นจำนวนมากได้รับผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับมาเป็นจำนวนมากก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่เราถือเป็นสารณะที่พึ่งทางใจสังฆสารังกฉามิก็คือผู้ที่ มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสุ ป, ปฏิปันโนอูชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโ น, ยายโนสามีจิปฏิปันโนผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบทั้งหลายนี้ก็จะได้รับผลอามที่พระพุทธเจ้าได้ส่ง สอนไว้ว่าจะได้รับเริ่มต้นตั้งแต่การไปเป็นเทศไปเป็นพรมแล้วก็ไปเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆจนในที่สุดก็ไปถึงขั้นพระนิพพานพวกเราอาจจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปได้อย่างไรในเมื่อเวลาที่ร่างกายเราตายไปเมื่อเราไม่มีร่างกายเราจะไปไหนได้ แต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจนี้คือดวงวิญญาณที่ออกจากร่างไปร่างนี้เป็นที่อยู่อาศัยของใจของดวงวิญญาณพอไม่มีร่างกายนี้แล้วดวงใจดวงวิญญาณนี้ก็จะต้องไปตามกำลังของบาปของบุญของความสะอาดของใจถ้าใจ มีแต่บุญไม่มีบาปถ้าใจสะอาดบริสุทธิ์ก็จะไปถึงพระนิพพานเลยถ้าใจยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะไปตามขั้นต่างๆขั้นสวรรค์บ้างสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ไปขั้นของพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆนี่คือผลที่เราจะได้รับ ถ้าเรามีความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นกันเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้าเหมือนคนตาดีคนตาดีย่อมเห็นอะไรต่างๆที่คนตาบอดไม่สามารถมองเห็นได้ไม่เชื่อก็ลองหลับตาดู ก็จะรู้ว่าเวลาหลับตาแล้วนี้เรามองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากเห็นแต่ความมืดเท่านั้นเองใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเราตอนนี้มืดบอดปราศจากแสงสว่างแห่งธรรมทำให้เราไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นภพชาติต่างๆไม่เห็นกรรมไม่เห็นวิบากของกรรม ไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันมาจึงทำให้เราเป็นอย่างนี้ทำไมเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเราจรึงไม่เป็นเหมือนกันเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมมนุษย์นี้จึงมีความแตกต่างกันมนุษย์บางบางมนุษย์ก็มีความสุขมีความเจริญมากมีบารมีมากมนุษย์บางมนุษย์ก็ไม่มี บารามีไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อันนี้ก็คือวิบาก ค, คือผลที่เกิดจากการทำบาปหรือไม่ทำบาปทำบุญหรือไม่ทำบุญชาระใจหรือไม่ชาระใจผู้ที่ทำบุญละบาปชาระใจก็จะเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารามีมีความร่ำรวยมีรูปร่างหน้าตา สวยงามมีอาการครบ32มบีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้คือมนุษย์ที่ได้บำเพ็ญได้ทำบุญละบาปชำระใจมาอย่างต่อเนื่องก็จะเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีความแตกต่างจากมนุษย์อื่นส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ละบาป ไม่ได้ชำระใจให้สะอาดเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสอาการไม่ครบส2มสองมีสุขมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสั้นมีฐานะการเงินการทองที่ไม่ดี มีสติปัญญาที่ทึบไม่ฉลาดคือเป็นคนโง่เราก็คงจะเห็นกันว่าในโลกนี้เรามีมนุษย์ต่างๆเหล่านี้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราแต่ละคนในี้ในอดีตได้ทำบุญละบาตได้ชำระใจมาไม่เท่ากันนั่นเองถ้าทำมากก็จะได้บุญได้บารมีมาก ถ้าทำน้อยก็จะได้บุญน้อยได้บา ร, รมีน้อยได้วาสนาน้อยอันนี้ไม่มีใครที่จะไปปฏิเสธได้เวลาได้มาแล้วเวลามาเกิดแล้วได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ก็จะไปเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเรามาทำบุญมาละบาสมาชำระใจกันต่อไป ทำให้มากขึ้นแล้วต่อไปพบหน้าชาติหน้าเราก็จะได้พบที่ดีกว่าเดิมจนในที่สุดเราก็จะไปได้พระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธามีความเชื่อของเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้ รู้ความจริงเหล่านี้เชื่อว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้เราได้ไปสู่ภพชาติที่ดีไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่าตายเกิดเชื่อว่าผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสอนของพระพุท ธ, ทธเจ้าไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุผลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุ คือการปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ไม่มีไม่โมฆะตายไปแล้วเราจะได้รับผลต่อไปนี่แหละคือความเชื่อที่เราควรจะเชื่อกันให้เชื่อว่าพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้จะมีอายุยืนยาวนานถึง 2,500 ัารกว่าปีมาแล้วก็ยังเป็นอาการิีโกอยู่ ก็คือไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถยังประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกในครั้งสมัยพระพุทธกาลใดสมัยนี้ก็ยังยังประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกได้สัตว์โลกถ้ามีความสามารถน้อมนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนได้ ก็สามารถที่จะรับผลได้เช่นเดียวกันเหมือนกับในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอยู่คือเวลาที่พระพุทธเจ้าจากเราไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาธรรมนี้ไปจากพวกเราพระพุทธเจ้าทรงฝากธรรมนี้ไว้ให้กับพวกเราเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วตัดไว้ดีแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปจะเป็นอาการลิโ ก, โกจะอยู่กับพวกเธอไปตลอดเวลาตราบใดที่พวกเธอมีศรัทธามีความเชื่อ น, น้อมนำเอาคำสอนของตถาคตนี้มาปฏิบัติพวกเธอก็จะได้รับประโยชน์ เหมือนกับที่พวกเธอที่อยู่ในสมัยเดียวกับตถาคตไม่มีการแตกต่างกันเลยคําสอนในสมัยพระพุทธการกับคําสอนในสมัยนี้ก็เป็นคําสอนอันเดียวกันสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้เท่าเท่ากันเวลาไม่เป็นปัญหาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ที่ต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาเช่นยารักษาโรคก็จะมีฉลาดเขียนติดไว้ว่าควรบริโภคก่อนวันที่นี้วันที่นี้ถ้าหลังจากนั้นแล้วจะเสื่อมคุณภาพจะไม่สามารถทำประโยชน์ได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีฉลา เขียนติดไว้ว่าจะหมดอายุภายในวันนั้นภายในวันนี้ทำของพระพุทธเจ้านี้เราสามารถนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้ทุกเวลานาทีอยู่ที่เราว่าเราจะมีศรัทธานอมนำเอามาปฏิบัติหรือไม่ดังนั้นอย่าให้ความคิดที่เราที่เราอาจจะคิดว่าชาตินี้ปัจจุบันนี้ ปฏิบัติไปก็จะไม่ได้ผลเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนมาคอยบอกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดขอให้เราคิดว่าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในพระธรรมคําสอนนี่แหละพระธรรมคาสอนนี่แหละคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเวลาเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอน mm. ก็เหมือนกับเราได้ยิน mm. ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลย แล้วถ้าเรานอกนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระอาหลานตสาวกทั้งหลายได้รับผลกันถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่มีความลังเลสงสัยเราจะมีความแน่วแน่มั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีความแน่วแน่ต่อการบำเพญ็ญทําบุญลาบา ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเราได้ลำเพลนไปแล้วจิตใจของเราก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปทางลมดับถึงแม้ว่าเราจะมีร่างกายของมนุษย์ก็ตามแต่ใจของเรานี่สามารถเปลี่ยนจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพได้เปลี่ยนจากเทพให้เป็นพรหมได้เปลี่ยนจากพรหมให้เป็นพระอาริยะเจ้าขั้นต่างๆได้จนถึงขั้นสูงสุดได้ เพราะใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้ไม่มีวันที่จะเจริญมีแต่จะแก่ลงไปเรื่อยๆมีแต่จะเจ็บเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะต้องตายไปเราจึงไม่ควรที่จะไปยึดติดกับร่างกายของเราอย่าไปถือร่างกายเป็นสราณังกระฉามีขอให้เราถือพุทธังธรรมังสราณักะ เป็นสารนังกัจฉามิแล้วปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับรองได้ว่าเราจะได้กําไรเกิดมาชาตินี้จะไม่เสียชาติเกิดแต่ถ้าเรามาหลงยึดติดกับร่างกายแล้วก็อยากให้ร่างกายนี้เจริญไม่อยากให้ร่างกายเสือ่อมเราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อ ให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะต้องผิดหวังและเวลาเราตายไปเราก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปนอกจากมีความโง่มีความทุกข์ติดตัวไปเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเรามามัวแต่เชื่อความหลงของเราที่จะพยายามดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่ไปให้นานที่สุด โดยไม่คำนึงถึงว่าจะทำบาปหรือไม่ทำบาปจะได้ทำบุญหรือไม่ทำบุญจะได้ชำระใจให้สะอาดหรือไม่อันนี้แหละที่จะทำให้เราเสียชาติเกิดถ้าเราไม่อยากจะเสียชาติเกิดขอให้เราน้อมเอาคำสอนของพรอพทธเจ้ามาปฏิบัติคือท่านสอนให้ทำบุญละบาปละชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ถ้าเราทำได้เราจะได้กำไรจิตใจของเราจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดได้เลยแม้แต่ในชาตินี้เราก็ทำได้ถ้าเราทำไม่หยุดไม่หย่อนเพราะมีพระอาหลานตาสาวกทั้งหลายท่านได้ทำกันมาแล้วท่านได้พัฒนาจากปุถุชนธรรมดาขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหลานได้ภายในชาตินี้ เพราะท่านมีศรัทธามีความเชื่อมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามไม่ท้อถอยไม่ไม่หยุดไม่หย่อดถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะได้ผลภายในชาตินี้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระนี้มาทำบุญมาละบาปมาชงวะใจให้สะอาด ด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านได้นำมาไปเพีิรนิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนาไตรและบุญกุศล